ท่านสาธุทธ บ, บริษัททั้งหลายและบรรดาลูกหลานที่รักวันนี้ก็มาพบกันในเรื่องราวของสุวณสามต่อไ ป, ป็นนั้นว่าในวันก่อนได้มาหยุดลงตอนที่ท้าวสกะเทวราชเกอพีอินได้พิจรารณาเหตุอันต ร, รายที่จะพึงเกิดกระดา บ, บททั้งสอง เพราะตาทั้งสองข้างต่อไปเพราะใช้กรรมนาดีจะเป็นปัจจัยให้ตามืดมิดสนิทมองอะไรไม่เห็นจึงได้ลงมาจากเทวโลกเข้าไปหาดาบททั้งสองยกมือไหว้ถวายนาการนวัตการก็คือยกมือไหว้ไหว้ดาบททั้งสองแล้วจึงกล่าวว่าข้าพระเจ้าบเบลงเห็น ว่าข้าจะท่านดาบทตรก็ว่าเจ้าเล็งเห็นแน่ชัดเลย ว, ว่าอันตรายจะมีเกิดกับท่านนางสองขอท่านนางสองจงปรารถนาบุตรเพื่อจะได้ปฏิบัติท่านเมื่อเวลาที่ท่านตาไม่เห็นนี่ความดีของคนมันเป็นอย่างนี้แม่เทวดาเนี่ยเขามุ่งความดีของคนเมื่อความดีมีอยู่เทวดาก็ทนไม่ได้ สำหรับทานดาบทผู้ชายที่มีชื่อว่าทุกูรดาบทึงถามว่าท่านจะให้อดัมมาท่านยังไงอาัมมาทั้งสองถือเพศเป็นบาปชิดเวลานี้ถือว่าเป็นนักบวชสละกรรมกิจมันเป็นของชาวบ้านเชนแล้วตั้งหน้าตั้งตาบาเพ็ญพจเพื่อหวังความพ้นทุกข์ อาตมาจะต้องเสพการมารมค์ก็เสพเมถุนอย่างนั้นหรือหวังที่จะได้บุตรอาตมาเป็นนักบวชเนี่ยอาตมาทำเช่นั้นไม่ได้ขอท่านอย่าให้อาตมาต้องเสียและว่าสิ้นความเป็นพรหมจันทร์เลยคำว่าพรหมจันทร์นี้ก็แปลว่าประพฤติอย่างพรหมในประการหนึ่งเนี่ยพรหมจันทร์แปลมีความประพฤติประเสริฐมาก คำก็บระว่าประเสริฐก็ไม้ความว่าไม่ร่วมรักระหว่างเพศการถือศีลพมใจงเราถืออย่างนี้นะลูกหลานที่รักคือหนึ่งไม่ฆ่าสัตว์ไม่เบียดเบียนสัตว์สองไม่ลักไม่ขโมยใครสามไม่อยู่ร่วมรักกันระหว่างสามีมภรรยาสี่ไม่พูดปดห้าไม่ดื่มสุรามีไร หกไม่กินอาหารในเวลาหลังเที่ยงเจ็ดไม่ทัดทรงดอกไม้ทาเครื่องหอมดูละครดูหนังดูอะไรต่ออะไรพวกนี้แล้วก็ไม่ไม่แสดงกันไม่ร้องเพลงแล้วก็แปดไม่นอนที่นอนสูงที่นอนใหญ่เกินไปหรือว่าไม่นอนที่นอนที่ยัดไปในนุ่นสัมรทธ การปฏิบัติแบบนี้เขาเรียกว่าสินพรหมจันทร์ <c oughs> <c oughs> คำว่าพรหมจันทร์มีความประพุทธมเกษตรนี่ท่านฤาษีผู้ชาย <c oughs> จึงได้กล่าวกับท่านทาน้าวสกาบอกไม่ไหวแล้วตาให้จะต้องมีลูกก็ต้องไปร่วมรักกันในฐานะสามีภรรยานี่ฉันทำไม่ได้ความจริงท่านก็คงจะทำไม่ได้จริงๆ ในสมัยที่แต่งงานกันใหม่ๆท่านยังไม่ร่วมรักกันในฐานะสามีภรรยานี่นก็เรื่องอะไรที่เวลามาโบวถจะต้องไปทําอย่างนั้นลูกหลานได้ฟังแล้วคงจะคิดว่าแปลกแต่ความจริงเรื่องของบุญบารมีเป็นของจริงเรื่องนี้ลูกรักชายหญิงทั้งหมดต่อไปจะรับทราบเมื่อโตขึ้นมาแล้ว ต่อมาท่านท่าส ก, กัดจึงดัดว่าค้าแต่ดาบตทข้าวิเจ้าไม่จําเป็นที่จะต้องให้ทำานหลายเสพเมถุนธรรมคําว่าเมถุนธรรมคือร่วมรักกันระหว่างสามีภรรยาหรือไม่ต้องการให้ท่านเสพเมถุนกับท่านดาดาบทผู้หญิงเป็นแต่เพียงเอามือรูปที่ทองข้องนางปราริกาดาบทเท่านั้น นางก็จะมีรดูแล้วก็มีระดูแล้วแล้วก็จะมีขันท่านดาบทผู้ชายคือทุกขูราดาบดก็ยอมรับว่าถ้าทำเท่านั้นแล้วก็ทำได้เป็นเอาเนื้อความเขาเรกว่ากูรดาบด ท, ทุกขูรดาบดรับแล้วก็ทำเมื่อเท่าสะกะไปแล้วท่านจงไปหานางปริกาดาบด ดาบตสินีนะดา บ, บทก็แล้วกันผู้ชายเขาได้ยกว่าดาบทผู้หญิงเขาเรียกดาดาปัาาสินีเล่เาเล่านืทอความนี้ฟังเมื่อนางทราบเรื่องต่างคนต่างทราบเรื่องกันดีแล้วพอถึงเวลาที่นางปานามปาริกามีฤดู กลัวทุกขกลรดาบทจรเจอมือไปลกูกตีท้องนางตอนนี้เห็นยังไม่ใช่ของแปลกนะเพราะไม่ได้ร่วมรักในการต่อมานางปาริกานาดาปาสินีก็ตัง้งครรภ์ครั้งครบครับครบกำหนดนางก็คลอดบุตรมีผิวพรรณสวยงาม สีขาวแล้วก็เหลืองมากคล้ายๆกับทองคำเพราะว่าเหตุที่มีผิวพันเช่นนั้นจี่ น, นี่มีนามว่าสุวรรณสามกุมารคำว่าสุวรรณนี่แปลว่าคำว่าทองแปลว่าท่านสามสามะสามนี่เห็นญติความหมายพ่อหนึ่งแม่หนึ่งแล้วก็ลูกหนึ่งเป็นคนที่สาม แล้วพ่อสามพ่อคนที่สามนี่มีผิวพรรณเหมือนเรทองคำพ่อแม่ที่ให้นามว่าสุวรรณสามเมื่อท่างสองนำบทไปป่าหาผลไม้มันดากินรีคำว่ากินรีนี่ก็ เ, เป็นคนประเภทหนึ่งแต่เขาก็อยู่ในป่ามีภาพเป็นคน ที่อยู่บนภูเขาแถวๆนั้นต่างก็มาอุ้มเอาสวรรคสามไปอาบน้ำตามซอกเขาแล้วก็อุ้มพาขึ้นไปบนยอดเขานำดอกไม้นานาต่างๆนานามาประดับประดาให้ปุมาอาหอรดานคือหินอ่อนผลกับแผ่นหินประพรมให้เสร็จเรียบร้อยแล้วหอรดานี่หอมนะก็ เ, เป็นแบบไม่ไมแบบอะไร เ้่าแบบแป้งหรือ ว, ว่าแบบดีสะพองนะ่ะเสร็จแล้วก็นํามาส่งที่อาศรมนางกินรีทั้งหลายได้ปฏิบัติคุมานอยู่โดยนั่นอยู่แบบนี้ย่อทั้งสวรรณสาวเมยุได้ถึงสิบหกปีแหมคนดีซะอย่างนนะความจริงก็น่าแปลกไม่ต้องร่วมรักกันก็มีลูกได้ เห็นจะไม่ต้องใช้ออดไม่ต้องใช้ลูกในหลอดแก้วเป็นะนั้นว่าขณะที่บิดามันดาพากันไปแสวงหาผลไม้สำหรับสุวรรณสามก็นั่งเฝ้าสังเกตทางที่พ่อและแม่ไปเมื่อมีอันตรายเกิดขึ้นแล้วท่านตั้งใจไว้ว่าพ่อไปทางไหนแม่ไปทางไหน คิดว่าถ้ามีอันตรายเกิดขึ้นแล้วก็จะได้ไปนค้นพบมาวันหนึ่งเมื่อท่านสองไปหาผลไม้พอได้ตามสมควรแล้วก็กลับขณะที่เดินทางกลับจู่ๆจะถึงอสมก็บังเอิญฝนตกหนักท่านสองยังได้ไปหลบฝนอยู่ใต้ร่มไม้ซึ่งปีกกระจอมปลวกเป็นการบังเอิญจริงๆ ที่จอมปรวกนั้นก็มีงูมีพิษร้ายอาศัยอยู่เมื่อฝนตกรถท่านทั้งสองไหลลงไปในรูของอสารพิษรูข้อ ง, งูทําให้เจ้า ง, งูนั่นที่มีพิษนั้นได้กลิ่นเงือใครของมนุษย์เนี่ยมันโกรธเหงื่อของท่านเดินมาเหงื่อไหลฝนตกช่งเงื่อไหลลงไป เจ้าเหงื่อนั้นมันไหลลงไปติดกับกันน้ามันมีกลิน่นเจ้างูมันโกรธจี่ได้พ่นพิษออกมาก็พอดีถูกตาของท่านนางสองตาบอดถ้าไม่ตาท่านนางสองเสียไปทั้งสองข้างมองอะไรไม่เห็นเอ้ยตอนนี้ไม่เห็นทางเราไปไม่ได้ตาก็คลําหาทางทางโน้นบ้างทางนี้บ้างวนวีนอยู่แถวนั้นเองไปไม่ได้ ท่านกล่าวว่าเหตุนี้เป็นเพราะอาศัยกรรมเก่าของท่านดาบททั้งสองที่ทําให้เสียตาไปด้วยกันใ้ทีนี้นี่เขาบอกครั้งนี้มีว่าเมื่อท่านกล่าวทั้นชาติในอดีตนะไอกรรมเก่าเนี่ยมันมาจากชาติในอดีตเก่าโน้ท่านบอกว่าเมื่อชาตก่อนดาบททั้งสองเป็นหมอตาคือหมอรักษาตา สำหรับท่านดาบทเป็นหมอรักษาตาท่านดาบทผู้หญิงคือดาปาัสินีก็ได้เป็นพัญญาเ้าหมอที่รักษาตาเหมือนกันวันหนึ่งหมอตาได้ไปรักษาคนไข้รายหนึ่งที่เป็นโรคตาคนไข้รายนี้เป็นคนมีทรัพย์มากแต่เมื่อหมอรักษาจนตาหายแล้วก็ไม่จ่ายยารักษาไม่จ่ายค่ายารักษาโรค หมอตาจึเบิกษากับพันยาว่านอกจา๋าเราจะทำยังไงที่ตาคนไขค้คนนี้เขาโกงเราเสร็จแล้วนี่แล้วรักษาตาให้จนหายแต่ว่าเขาก็ไม่จ่ายทรัพย์ให้เราเราจะทํายังไงพายปันญาก็โกรธจัดตอบว่าเมื่อเขาไม่ให้ก็อย่าเอาเลยแต่ถ้าว่าคนที่จะประกอบอยาสกนั้นหนึ่ง ที่มีชนิดแรงแล้วก็นำไปให้ชายคนนั้นบอกเขาว่าบอกตายของท่านนะ่ยยังไม่หายขาดควรจะใช้ยาขนาดนี้ป้ายตายครั้งเ<ม>ดียวก็จะไม่เป็นอีกสามีเห็นด้วยจึงได้ประกรอบอยาชนิดหนึ่งเออือหนึ่งชนิดไหนขึ้นมาแรงจัดประกรอบเสร็จเรียบร้อยแล้วก็นำไปให้ชายคนนั้น แล้วก็บอกว่านี่คุณตาของคนที่ฉันอศานสาว่าหายแล้วเนี่ยความจริงมันยังไม่หายท่านยังไม่จ่ายเงินให้ฉันนั่นมันถูกแล้วเพราะถ้าท่านที่ดีมันจะต้องหายสนิดถ้าคืนปล่อยไว้ยอย่างนี้แล้วก็ไม่ช้านะตาจะกาเริบนี่โดยใจความควรย้ายานี่หยอดลงไปนี่โดยใจความนะ แต่คําพูดของท่านท่านพูดว่าอย่างนี้ตายของท่านยังไม่หายสนิทตีอาจจะเป็นแค่อีกก็ได้คนจะใช้ยาขนาดนี้ตัดรากเสียไม่ยาตัดรากตัดตัตาป้ายข้างเดียวก็จะหายขาดชายคนนั้นเข้าใจว่ายาของเขาแน่จริงๆความจริงนี่มันยากโกงเขานี่นะไม่คนกงนี่มัน เอาเสตตาพังไปเลยแค่บอดมันก็ไม่แน่นะเพศชายคนนั้นเข้าใจว่ายาของเขาแน่จริงจึงได้รับไว้แล้วก็ป้ายตาต่อมาไม่ชาตาทั้งสองก็เสียมองไม่เห็นเพ่งกล่าวว่าเพร่อสองตายายและสงองฤาษีเนี่ยไปทากับเขาไว้ก่อนอย่างนี้ในชาตินี้ความจริงไอ้เจ้าโง่เนี่ยมันก็ไม่น่าจะโกรธ น้ำที่ไหลท่วมเหือใครของท่านไหลนุน่มปในรูงูที่ไหนก็เห็นเขาโกรกกันแต่ทําไมถ้องมาโกรกคนสองคนเพราะกรรมที่กล่าวนี้ปรากฏฝ่ายสุวรรณสามนั่งคอยบินดามันดาอยู่ที่อาศรมไม่เห็นบินดามัรดากลับมาตามกำหนดที่เคยทั้งเวลาก็โล่งเลยไปมากเห็นผิดสังเกต ในรุบเดินไปตามทางที่ตนกําหนดไว้เคอตั้งจะสังเกตไว้ให้กําหนดจะสังเกตกูเรียกหาพ่อหาแม่ท่านพ่อท่านแม่จํเาเสียงบุตรชายได้ก็กูรับกูนะครั้งบููบบ้นะเวลานี้ไม่ค่อยมีใครกู่กันแล้วกลางทุ่งกลางนาเขากู่กันคือเรียกเสียงดังๆทําเสียงเส้นสัญญาณ สุวรรณสามจึงไดเดินไปตามเสียงกรูรับก็พบบิดามารดากําลังคําหาทางอยู่ก็รู้ว่าตาของท่านนางสองนั้นเสียเช่นแล้วจึงถามว่าคนพ่อคนแม่เขารับทําไมตาคนพ่อคนแม่จึงมองไม่เห็นและขารับบิดาวันดาก็เล่าเรื่องให้ฟังตลอดเรื่องมันนั่ง<ม>นั่งอยู่ มันมีพิษชนิดหนึ่งพุ่งขึ้มาจาโลโธตาพ่อกับแม่ทั้งสองมองไม่เห็นสวัณดิสามไม่ฟังก็ร้องไห้และโหระเอาล่ะสิมาละลูกหลานฟังให้ดีนะจ๊ะว่าลูกชายฟังแล้วก็ร้องไห้เสียใจว่าพ่อแม่มองไม่เห็นแต่พร้อมกันนั้นบันเลิกร้องไห้เธอโหระบิดามันดาจึางถามว่า ทำไมลูกจึงร้องไห้และหัวเราะล่ะจ๊ะนี่ได้ไปนพ่อแม่เวลานี้บางทีดีไม่ดีนะท่านมองไม่เห็นท่านเลยเบี่ยงซ้ายไปขวาส่งเด็เนะโกรธเราว่าท่านนางสองเป็นคนมีศีลมีธรรมท่านสงสัยส่วนสามลูกชายยังตอบว่าลูกร้องไห้ก็าเพราะาเสียใจ ที่ตาของคุณพ่อและคุณแม่เสียไปขณะที่ลูกยังเป็นเด็กอย่างนี้และก็ที่หัวเราะ ก, ก็ดีใจที่ลูกจะได้ปรนิบัติพ่อแม่แทนบุญคุณที่พ่อและแม่ทั้งสองเนี่ยได้คุณาเลี้ยงโดูลูกมาขอพ่อและแม่อย่าต้องมีตกทุกข์ร้อนลูกจะปรนิบัติไม่ต้องเดดร้อนในอย่างใดทั้งหมด รือว่าหนทางที่พ่อและแม่ไปเก็บลูกไม้นั้นลูกพยายามสังเกตไว้ทุกวันต่อจากนี้ไปภาระแห่งการความเป็นอยู่ของคนมมกข่อของแม่ทั้งสองจะเป็นหน้าที่ของลกูกเมื่อสวรรณสามพู่จบจะได้จับมือวิดาลมันดา น, นำเข้ามาสวมสมแล้วว่าจัดเชือกมาผูกทำเป็นราวรอบรอบอสม ทำให้สะดวกในการเวลากลางวันและกลางคืนกลางคืนและกลางวันท่านก็นมองไม่เห็นเพราะว่ากลางวันก็ดีกลางคืนก็ดีถ้าบิดามัรดาทั้งสองไม่จะชอบจงกรมจงกรมก็เป็นวันเดินเดินไปเดินมาภาวนาพิจารณาไปตามกฎของวิธีปฏิบัติกรรมฐานเรื่องกรรมฐานเนี่ถ้านลูกหลานยังไม่ได้เคยศึกษาอาจจะไม่เข้าใจ แต่ว่าตอนนี้หลวงปู่ก็ยังจะไม่ไม่เล่าให้ฟังมันจะยืดยาวเกินไปว่าแเวลาเดินเวลาเดินก็ดีเวลาที่จะไปถ่ายอุจาระปัสสาวะก็ดีส่วนนสามก็เท้าเชือกขึงเอาเทาวันมาขึงให้แล้วก็บอกว่าคุณบอกว่าถ้าคุณพ่อคุณแม่จะไปธุระที่โน่นไปทางนี้มีหนี้ไปที่สังเกต ถ้าจะเดินไปทางนี้มีอะไรไปที่สังเกตไว้ทําให้มีดาดัมมันดาอยู่ในสมนอย่างมีความสุขตนเองก็พยายามออกป่าหาผลไม้ไม่มีดาดัมมัดาคนนิบัติอยู่อย่างนี้ก็ทั้งบิดาดัมมันดาไม่ได้มีความเดือดร้อนอย่างไรนี่เรื่องนี้เป็นตัวอย่างที่ดีสําหรับลูกหลานที่รักว่าพ่อแม่นะ่เป็นผู้มีคุณ ท่านจนดีหรือไม่ดีสําหรับคนอื่นก็ตามถ้าเนื้อแท้จริงๆนะท่านดีสําหรับเราอยู่แล้วเพราะนั้นเวลาที่ท่านมีความลําบากมีภารกิจเกิดขึ้นก็ต้องช่วยท่านตามที่เราจะพึงมีความสามารถขณะที่สุวรรณสามออกจากป่าไปหาผลไม้นั้นท่านบอกว่าบรรดามฤคธิ์คือเนื้อหมู่เนื้อนะ มากันบันดามารึกน้ำหมูกินนอนนารีตามพากันแม่ล้อมส่วนสามหมายความว่าบันดาสัตว์ป่าทั้งหลายเนะีนะ่ยไม่ว่าสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่ก็ตายก็ะแตเนื้อหมูสุกรเสือสิงห์ต่างๆไม่เป็นศัตรูกันเขาต่างคนต่างรักกันเพราะนับน่ายความเมตตาของพ่อแม่ทั้งสองม่ก่อน แล้วมาถึงสุวรรณสามมาเป็นลูกก็มีความเมตตาเหมอือนกันเขาก็มีความรักในสุวรรณสามตลอดจน้รทั่งกินนอนละกินนาฬิกินนอนเนี่ยหมายว่าคนผู้ชายกินนาฬิกินผู้หญิงที่อยู่ในป่านะั่นน่ะเขาเรียกว่ากินนอนกินนาฬิเวลานี่ก็อาจจะเรียกว่าชาวเขาก็ได้ ต่างคนต่างก็นึกนึกกันไปว่ากินนอนเป็นอย่างนั้นกินนารีเป็นอย่างนี้แต่ความจริงเขาเป็นคนที่อยู่ในกินนั้นก็พากันไปเป็นเพื่อนสวรรคสามไปเป็นกลุ่มใหญ่เั็นเดือเสือก็มีสิงก็มีเนื้อก็มีไ่ก็มีกลางก็มีเก่งก็มีก็ตรงกันตายทั้งนั้นสัตว์ทั้งหมดไปแวดล้อมเป็นเพื่อนกันกินนอนกินนารีคือผู้ชายผู้หญิงในป่าก็ไปด้วย เมื่อทําได้เวลาที่สุวรรณสามกลับมอสมเมื่อถึงอสมสุวรรณสามก็เตรียมต้มน้ําแล้วก็อาบให้บิดามันดาเพราะมันหนาวมันหนาวก็ก่อไฟผิงให้ตลอดจนเช็ดมือเช็ดเท้าเช็ดตัวให้บิดามันดาพอถึงเวลาก็จกัดผลไม้มาให้บริโภคตนเองก็บริโภคเมื่อเหลือใจบิดามัรดาแล้ว เรื่องนี้เป็นเรื่องน่ารักบรรจ้านลูกหลานทั้งหลายลูกหลานฟังคนดีคนที่ก็มีความดีมีความกตัญญูรู้คุณแบบนี้เพรลูกหลานที่รักทั้งหมดจงพยายามปฏิบัติตามแล้วก็ทดลองดูที่ว่าจะเป็นที่รักของพ่อแมห่แล้วเป็นที่รักคนอื่นไหม ที่องค์สมเด็จพระจอมไตรคือพระพุทธเจ้าท่านตัดว่านิมิตตังสาธุรูปานังกาตัญญูกตวเวทิตาท่านบอกว่าคนที่มีความกาตัญญูรู้คุณที่ผู้มีคุณทําแล้วและตอบสนองคุณท่านจึงกล่าวว่าบุคคลนั้นเป็นคนดีคนที่มีความกาตัญญูกาตวเวทีนี้ไปที่ไหนก็ไม่อดตายถ้าเป็นคนก็เป็นคนดี อยู่บ้านก็เป็นคนดีในบ้านออกนอกบ้านก็เป็นคนดีสําหรับชาวบ้านทุกคนก็มีความรักรักพ่ออะไรพ่อรักเพราะว่าเราเป็นคนกตัญญูรู้คุณถ้าเขารู้ว่าเราเป็นคนมีความกตัญญูรู้คุณเป็นคนดีไม่ดื้อไม่ดานไม่ทําให้บิดามันดาเดือดร้อนเป็นที่รักพ่อแม่มีความกตัญญูช่วยงานทุกอย่าง เ, ออเขาแยกคบหาสมาคมกับเราเขาก็เต็มใจเขาคิดว่าคนนี้ดีกับพ่อกับแม่เพียงใดก็ต้องดีกับเขาเหมือนกันนี่เป็นความรู้สึกของคนทุกคนถ้าต่อไปก็ฟังต่อไปนะจ๊ะจะกล่าวถึงพระราชาพาราณสีมีนามว่าถ้าอยู่เมืองพาราณสีนะมีนามว่าปีรยักราชคนนะ แจะเรียกว่าเป็นยักษ์แต่ชี้เขาชื่อมีนามปีระยักค ร, ราชารยักษ์าราชาปีละแม่เป็นระยักษ์ขยักษ์ขะในแปลก็พูดบุคคลคนบูชายักษ์นี่ไม่ใช่แปลว่ายักษก์หยอกมีพระราชามีนามปีระยักค์ะทรงมีพระราชประสงค์จะออกล่าสัตว์ในป่า จเจาเนื้อมาเสวยให้เป็นที่สำหรับประเทศไทยนี่ใจเลวอย่างนี้ถือว่าใจเลวไอ้ที่เนื้อเขาตัวในยุงกินนิดหนึ่งก็ปียุงตายไอ้อยากจะได้เนื้อมากินได้ควานจิงไอ้เนื้อไอ้หนังนี่เราไม่ต้องไปค่าหรอกเนื้อสัตว์ในปา่าและเนื้อสัตว์ที่เขาขายมันก็มีค่าเท่ากันมันกแกลกันแต่สำนักใจคนที่สามสามน่ะมันจะชอบค่าสัตว์ประชีวิต คิดว่าชีวิตเขามาเลี้ยงชีวิตตัวชีวิตเขาทั้งหลายหลายชีวิตมันเลี้ยงชีวิตตัวคนเดียวที่มันเป็นความเลวให้เห็นคนเห็นแค่ตัวในบริการหนึ่งการล่าสัตว์ก็ถือว่าเป็นกิลิยาอย่างหนึ่งขอลูกหลานที่รักจงอย่าทำนะจ๊ะเป็นขอไม่ดีวันหนึ่งพระองค์ทรงมอบหมายการดูแลพนักงาให้แก่ราชิชนนียมแม่แล้วก็สนับอุล่าสัตว์ โรงเ็จมาถึงท่า น, น้ำที่สวนสามดาบทเคยตักน้ำไปให้บิดามาันดาทอดพระเนตเห็นรอยเท้าได้เกลิกะรอยเท้าของสัและเกละกะไปหมดยึงแอบดูอยู่ที่พุ่มพุ่มไม้เพื่อคอยยิงสัตยภาพมาที่จะผ่านมาทอดพระเนตครับเรามองดู สำหรับสุวร้ำสามออกเมื่อออกจากไม่สำหรับตัวน้ำสามออกหาผลไม้ตามปกติขั้นมาตอนเย็นก็นําผลไม้ไปให้บิดามารดาเน่นก็ถือหม้อน้ําไปตักน้ําตามเคยนะทำเขาบอกเป็นกิจวัตรให้คําวัดวัตระวัตรสววริส มหา ก, กาศต่อตาราเรือวัดตัว น, นี้้อแปลปฏิบัติคือทำเป็นจิตตามที่นตนเคยปฏิบัติมาขณะที่เดินทางไปถึงท่านน้ำบรรดาพวกเนื้อและสัตว์ทั้งหลายก็ติดตามเมื่ออมไปเป็นผงใหญ่สุวรรณสาวะม่อนน้ำวางไว้ก็นบนหลังหนังเนื้อเป็นเนื้อเนื้อสมันตัวหนึ่ง แล้วก็มือประคองไปจนถึงท่าน้ำไม้ความไม่ต้องแบกวางไปแล้วก็จับไว้ไม่หล่น<ม>เนื้อตัวนั้นก็แบกหม้อน้ำไปวายว่าเท้าพระราชาที่ทรงพระนามว่าปิรยักษะแอบอยู่ข้างฟุ่มไม้ทอดพระเนตรเห็นส่วนสามเดอนมาแล้วก็มีฝูงเนื้อแวดล้อมมาอย่างนั้นก็ทรงสงสยัย ว่า น, นี่จะเป็นเทวดาหรือเป็นพญานาคขันยจะลองถามไปก็เกรมไปว่าถ้าเป็นเทวดาก็จะหออนีไปเสิก่อนถ้าเป็นนาคก็จะดำดินหนีไปเราควรจะยิงสัตว์ประหลาดตัวนี้ให้หมดกำลังเอาสิเห็นว่าสุวรรณสามกลายเป็นสัตว์ประหลาดไปออเออก็แปลกมีเหมือนกันแต่ก็น่าแปลก พอมามากับบรรดาสัตว์ทั้งหลายเขาคงคิดว่าเป็นสัตว์ป่าเราควรยิงยิงสัตว์ประหลาดตัวนี้ให้หมดกําลังก่อนแล้วจึงไตาถามาความจริงในภายหลังในขณะนั้นโซนสสามเดินมาถึงท่า น, น้ําจึงลงอาบน้ําเสร็จแล้วอม้ อ, มอตักน้ําแบบขึ้นจากบ่าขึ้นบ่าท้ายไม่จะเดินกลับผสมแหมนี่แปลกจริงๆนะเห็นคนเป็นสัตว์ มันดาคนหยาบมันเป็นงนี้สำหรับพระราชาสมุนนำมากับบินยักษ์เขาเรียกวก่ากบบินยักษ์ง่ายดีนะยกธนูกระชับอาบยาพิษเจองเลงไม้ลำตัวส่วนสามพอได้ระยะดีก็ยิงออกไปถูกถูกข้างขวาทะลุข้างซ้ายแม้แรงมาก มันดาสะเปนหลายตกใจก็หนีเข้าป่าไปสวรณสามเมื่อรู้ว่าถูกยิงก็ตั้งสติค่อยๆเบลครองหม้อน้ำวางลงกับพื้นแล้วก็ค่อยๆเองกายเอาศีรษะหันไปทางทิศทิวดามันดาอยู่แล้วก็กราบปรงคุมสติไว้หันแนวแน่นแล้วยิงกล่าวว่า ในป่านี้ไม่เหนมีใครที่แอเป็นเวรเป็นภัยกับเราหรือว่าที่เป็นเวรหรือว่าเป็นศัตรูกบิดามันดาของเราใครหนอยิงเราท่านแอซ่อนตัวอยู่ทําไมอันหนึ่งเนื้อของเราก็ไม่ใช่เป็นอาหารมังของเราก็ไม่ได้เป็นประโยชน์อะไรเชนไหนจะมายิงเราได้ท่านเป็นใครท่านเป็นบุตรใคร เราจะรู้จักท่านได้อย่างไรท่านยิงเราแล้วทำไมยีงซ่อนตัวอยู่เพราะนั้นว่าสำหรับวันนี้ลูกหลานที่รักและบรรดาญายโยมพุทธบริษัทที่รับฟังจะว่ากันต่อไปก็ไม่ได้เพราะหมดเวลาก็อจำต้องลา ก, ก่อนขอความสุขสวัสดิัพฒพธนมงคลสมบูรณ์ผลผลจงมีแต่บรรดาลูกหลานทุกคนและบรรดาแต่พุทธศาสนิกชนโต๊ะ และบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนทุกท่านสวัสดี